ของวันหยุดสมกรานต์จะว่าเป็นวันที่พุทธบริษัทผู้ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลได้กำไรอีกหนึ่งวันเพราะจะได้เวลามาทำบุญมาสร้างกุศลเพราะการทำบุญการสร้างกุศลนี้เป็นเหมือนนาเมา เงินเข้าไปฝากไว้ในธนาคารบุญก็มีธนาคารบุญที่เราเอาไปฝากไว้ได้และบุญนี้มีเวลาที่เราจะสามารถไปเบิกได้เช่นเวลาเราจากโลกนี้ไปเราสามารถเอาบุญติดตัวไปกับเราได้ แต่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเวลาตายไปเราเอาติดตัวไปไม่ได้ถ้าเราไม่เอาเงินทองมาแปลงมาแลกเปลี่ยนให้เป็นบุญเวลาตายไปเราจะไปแบบขอทานเพราะเราจะไม่มีบุญติดตัวไปไปก็จะต้องไปเป็นเปรต ไปรอรับส่วนบุญส่วนกุศลของผู้ผู้อื่นที่จะอุทิศไปให้แต่ถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆเวลาเราไปเราก็จะไปแบบเศรษฐีไปอยู่อย่างสุขอย่างสบายเวลามาเกิดใหม่เราก็จะมีฐานะร่ำรวยกว่าเก่ามี ชีวิตที่ดีกว่าเกา่ามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเกา่าผิวพรรณผ่องใสกว่าเกา่าเพราะนี่เป็นอนิสงส์ของบุญที่เราได้ทำกันเอาไว้นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้สาธุชนรีบทำบุญกันให้มากๆเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องตายกันเมื่อไหร่ คนเรานี้มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะตายได้ทุกวันทุกเวลาบางคนเกิดมาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ตายไปแล้วบางคนก็อยู่ได้เจ็ดวันอยู่ได้หนึ่งเดือนอยู่ได้หนึ่งปีสิบปียี่สิบปีสามสิบสี่สิบจนถึง9ก้าสิบร้อยปีไม่มีใครรู้ว่าเราจะไปกันเมื่อไหร่ ดังนั้นถ้าเราอยากจะไปอยากเศรษฐีไม่อยากจะไปเป็นแบบขอทานขอให้เรารีบเอาเงินทองที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ใช้เอามาแปลงเป็นบุญดีกว่าเพราะเวลาไปเราจะได้ไปแบบเศรษฐีถ้าเราไม่เอาเงินทองที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ มาแปลงมาเปลี่ยนให้เป็นบุญเวลาที่เราตายไปเงินทองเหล่านี้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปเราจะไม่สามารถเอาเงินทองติดตัวไปได้แต่เราจะสามารถเอาบุญติดตัวไปได้นี่คือเรื่องของการมีกาไรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน เพราะถ้าวันนี้เราไปทำมาหากินเราก็จะไม่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลกันบุญนี้ก็มีหลายขั้นหลายระดับด้วยกันขั้นที่เราทำกันทั่วไปก็คือทานการให้เช่นวันนี้ท่านทั้งหลายก็เอาข้าวของเงินทองมาถวายวาดกัน อันนี้ก็เรียกว่าฐานถ้ารักษาศีลได้อันนี้ก็จะทำให้เราได้บุญเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมได้ทำใจให้สงบได้เราก็ยิ่งจะได้บุญเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าแล้วถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเกิดปัญญา เห hmm. ็นว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากวิธีจะดับความทุกข์ก็คือต้องทำบุญตัดความอยากรักษาศีลเพื่อตัดความอยากภาวนาเพื่อตัดความอยากการปฏิบัติการทำบุญให้ทางรักษาศีลมีมีเป้าหมายอยู่ที่การตัดความอยากต่างๆนั่นเอง เช่นวันนี้เรามีเงินเราถ้ามีความอยากไปเที่ยวเราก็จะเอาเงินนี้ไปเที่ยวเราก็จะไม่ได้มาทำบุญเวลาเราทำความอยากนั้นเราไม่ได้บุญเราไม่ได้ความอิ่มใจสุขใจเราเพียงแต่ได้ความสนุกสนานเวลาที่เราไปเที่ยวพอเรากลับมาบ้างเราก็ อดความอยากที่จะออกไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้เอามาทำบุญใจของเราก็จะมีความอิ่มใจมีความสุขใจเหมือนกับได้รับประทานอาหารแล้วก็จะไม่มีความอยากที่จะไปเที่ยวใหม่นี่คือการทำทานเพื่อตัดความอยาก นี่คือเป้าหมายของศาสนาท่านต้องการให้เราตัดความอยากให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจทุกวันนี้ที่เราไม่สบายใจนี้ไม่ได้เกิดจากเรื่องอื่นไม่เกิดจากสาเหตุอื่นแต่เกิดจากความอยากของเราเวลาเราไม่มีเงินทอง เราก็ไม่สบายใจแต่การไม่มีเงินทองนี้ไม่ได้เป็นเหตุทําให้เราไม่สบายใจเหตุที่ทําให้เราไม่สบายใจก็คือการอยากมีเงินทองพอไม่มีเงินทองก็ไม่สบายใจคนที่เขาไม่อยากมีเงินทองเขาก็ไม่เดือดร้อนเช่นคนที่มาบวชเขาก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่เขาไม่มีเงินทอง เขาก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเขาไม่มีความอยากได้เือนทอง น, นั่นเองดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราอย่าไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปโทษคนนั้นคนนี้เพราะเหตุที่ทําให้เราไม่สบายใจไม่ให้เราทุกข์ใจก็เพราะว่าเรามีความอยากนั่นเองเราไม่สบายใจกับแฟนของเรา เพราะอะไรเพราะเราอยากจะให้แฟนของเราทําตามความอยากของเราพอเขาไม่ได้ทําตามความอยากของเราเราก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกับลูกของเราเราอยากจะให้เขาทาดีเป็นคนดีพอเขาไม่ทําดีไม่เป็นคนดีเราก็ไม่สบายใจความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเรา ถ้าเราทำใจเฉยๆปล่อยวางเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะไม่ดีก็เรื่องของเขาสิ่งที่เราทำได้ก็เพียงแต่บอกเขาให้รู้ว่าควรจะทำความดีถ้าเขาทำได้มันก็เป็นความดีของเขาเขาทำไม่ได้มันก็เป็นความเสียหายของเขาเองเราไม่ได้ไม่เสียกับความดีความไม่ดีของเขา แต่เรากลับไปทุกข์กับเขาเพราะเราอยากให้เขาดีนั่นเองถ้าเราไม่อยากทุกข์เราต้องอย่าไปอยากให้คนอื่นดีหรือไม่ดีอย่าไปอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นถ้าเราสามารถหยุดความอยากของเราได้เราก็จะสบายใจถ้าเรารู้ว่า <là> เราไม่สามารถไปสั่งให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไปเราไม่สามารถไปสั่งให้คนนั้นคนนี้เป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไปเพราะฉะนั้นเราอยากประยากดีกว่าเพราะถ้าประหยากแล้วเวลาไม่ได้ดังใจก็จะเสียใจจะไม่สบายใจและบางครั้งก็อาจจะ กขึ้นมาและอาจจะต้องไปทำในสิ่งที่เสียหายตามมาต่อไปแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ต้องไปทำผิดศีลไม่ต้องไปทำสิ่งที่เสียหายการรักษาศีลก็เป็นนีไว้เพื่อให้เราระงับ ก, การกระทำความอยากเช่นเวลาเราโกรธเราอยากจะฆ่าเราก็อยา่าฆ่า เราเวลาเราโลภเราอยากจะได้ทรัพย์เราก็อยากไปรักทรัพย์เวลาเราเกิดการมาลงเราก็อยากไปประพ ฤ, ฤติผิดเอเวณนีเวลาเราอยากจะปกปิดความชั่วของเราก็อยากไปพูดปดวิธีปกปิดความชั่วของเราก็คือโดยที่ไม่ต้องพูดปดก็คือให้หุบ ป, ปากไว้เฉยๆไม่ต้องพูดอะไร ใครเขาถามอะไรที่เราไม่อยากจะตอบก็ไม่ต้องตอบยิ้มยิ้มให้เขาก็พอหรือถ้าเขาไม่เข้าใจก็บอกว่าขอไม่ตอบก็แล้วกันเท่ น, นี้เราก็ยังรักษาสินได้แต่เราต้องยอมเราต้องพร้อมที่จะสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคนนั้นคนนี้ไป ถ้าเราไม่พูดแล้วคนที่เขาฟังเขาไม่พอใจเราก็ต้องอยากไปเสียดายปล่อยเขาไปเขาไม่พอใจก็เรื่องของเขาแต่เราจะรักษาศีลไว้ดีกว่าที่จะไปพูดเพื่อรักษาน้ำใจของเขาไว้รักษาน้ำใจแต่เราเสียตัวนี้มันไม่ดีเสียศีลและธรรมนี้เท่ากับการเสียตัวทำตัวเราให้ต่ำลงไปการที่เราจะเป็นมนุษย์ได้ อย่างสมบูรณ์นี้เราต้องมีศีลห้าเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลห้าเราก็เลื่อนชั้นลงไปสู่ชั้นของเดรัจฉานชั้นของเปรตชั้นนรกต่อไป mm hmm. ผู้ที่ไม่มีศีลห้านี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ หรืออยากจะรักษาความเป็นเทพเป็นพรมของเราเราก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ขอให้เราเห็นศีลห้านี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในเรกนี้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในเรื่นี้ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายไดแต่ศีลห้านี้สามารถป้องกัน ไม่ให้เราไปเกิดในอบายได้ถ้าเรารักษาสี่ทาได้อย่างบริสุทธิ์ตลอดเวลาตายไปจะไม่ต้องไปเกิดในอบายผู้ที่จะสามารถรักษาสีนห้าได้อย่างบริสุทธิ์ตลอดเวลาก็ต้องเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้จะเห็นว่า การทำบาป น, นี่แลที่เป็นเหตุให้ไปตกนรกให้ไปเกิดในอาบายเหมือนกับพวกเราที่เห็นว่าการทำผิดกฎหมายจะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตำหางพวกเราจึงไม่กล้าทำผิดกฎหมายกันเพราะรู้ว่าถ้าทำผิดแล้วจะต้องถูกจับไปลงโทษนั่นเองฉันใดพระโสดาบันก็จะ เนว่าการกระทำบาปนี้จะทําให้ใจนี้ต้องไปเกิดในอบายพระโสดาบันนี้มีดวงตาเห็นใจนอกจากเห็นร่างกายแล้วเห็นใจด้วยเห็นว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องตายไปจึงไม่ ควรที่จะไปทำบาปเพื่อรักษาร่างกายเช่นเวลาอดอยากขาดแคลงก็อย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อหาอาหารมาเลี่งดูร่างกายเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าเพราะจะทำให้ใจนี้จะต้องไปเกิดในอบายใจนี่แหละก็คือตัวเราส่วนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายตายไป ร่างกายก็ไปเกิดในเมนไปเกิดในวัดไปเกิดในสุสานไปอยู่ในสุสานกลายเป็นดินน้ำลมฝ่ายไปแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจทำบาปใจก็จะต้องไปเกิดในอบายผู้ที่ปฏิบัติธรรมขั้นสมาธิและขั้นปัญญาจะมีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นสองส่วนในตัวเรา จะเห็นร่างกายแล้วจะเห็นใจแล้วจะเห็นว่ากฎแห่งกรรมนี้อยู่ที่ใจควบคุมบังคับใจให้ไปเกิดในที่สูงที่ต่ำต่าง ๆ, ๆผู้ที่เห็นอย่างนี้ก็จะไม่กล้าทำบาปเพราะทำอะไรทำไปแล้วได้ไม่คุ้มเสียรักษาร่างกายไว้ก็รักษาได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องตายไปอยู่ดี แต่รักษาด้วยการทำบาปจะทำให้ต้องไปใช้ใช้โทษในอบายซึ่งมีใครอยากจะไปเกิดในอบายบ้างมีใครอยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างมีใครอยากจะไปเป็นเปรตบ้างมีใครอยากจะไปตกนรกบ้างมันไม่ใช่ไอที่สถานที่นาไปเลยเหมือนกับพวกเราไม่มีใครอยากจะไปติดคุกติดตรางกันพวกเราจึงไม่กล้าทำผิดกฎหมายกัน ฉันใดพระโสดาบันก็เป็นเช่นนั้นแต่ท่านรู้ว่าผู้ที่จะไปอาบายนั้นไม่ใช่ร่างกายผู้ที่จะไปอาบายก็คือตัวท่านเองใจของท่านเองที่จะต้องไปใช้กรรมในอาบายท่านจึงยอมตายดีกว่าไปทำบาปเพราะตายแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอาบายได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมแล้วหลังจากนั้นถ้ายังไม่บทความอยาก ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเก่านี่คือการมีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นใจใจนี้เป็ น, เ ป, นเป็นเราร่างกายไม่ใช่เป็นเราใจนี้เป็นผู้จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปพระอริยบุคคลทุกขั้นจึงไม่ทำบาปกัน พระโสดาบันพระสะกิฎาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านี้จะไม่มีวันที่จะทําบาปโดยเด็ดขาดจะไม่รักษาชีวิตของท่านด้วยการทําบาปเช่นเวลามีพระเทวทัตมาปองไว้ชีวิตของพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทําบาเพื่อจะปกป้องรักษาชีวิตเลยกับใช้เมตตา ใช้ปัญญาใช้อุเบกขาใช้ธรรมะแทนนี่แหละคือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นว่าการทำบาปนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีต่อผู้กระทำเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอย่าทำบาปการไม่ทำบาปนี้ก็เป็นการสกัดการกระทำความอยากของเรานั่นเอง เวลาเราอยากจะทำบาปถ้าเรารักษาศีลเราก็จะไม่กล้าทำบาปเราก็จะไม่ทำบาปเมื่อเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปเกิดแต่ลบาบตายไปก็ได้เปเกิดเป็นเทพเป็นพมไปตามกำลังของบุญที่เราทำไว้ถ้าเราทอมทานรักษาศีลเราก็จะไปเกิดเป็นเทพถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ เราก็จะไปเกิดเป็นพรหถ้าเราจเจริญปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นว่าเป็นทุกข์ทุกทุกทุเพราะความอยากของเราอยากให้สิ่งต่างๆนั้นที่ยังไม่อยากให้หมดไปอยากจะให้อยู่กับเราอยากจะให้ความสุขกับเราไปตลอดเราก็จะไม่เกิดความอยากเพราะเรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เที่ยงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขเราไปได้ตลอดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราที่จะอยู่กับเราที่จะอยู่ภายใต้คำสั่งของเราได้ไปตลอดถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะตัดความอยากไปหมดไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรพอเราตัดความอยากได้หมด ใจของเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดต่อไปไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือการมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้ใจของเราได้เป็นเศรษฐีบุญเป็นเศรษฐีตั้งแต่ขั้นเทพขึ้นไปสู่ขั้นพรขั้นสูงขึ้นไปสู่ขั้นอริยเจ้าต่างๆจนถึงขั้นรั้นนิพพาน พอถึงขั้นนิพพานแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีเลยเพราะใจจะมีแต่ปลามังสุขขังคาว่าปรามังสุขขังก็บรลมาสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เปลี่ยนเป็นเหมือนสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะสมบัติมีไว้เพื่ออะไรสมบัติมีไว้ก็เพื่อให้เรามีความสุขนั่นเองแต่ความสุข แต่สมบัติทางโลกนี้ไม่สามารถให้ปรมังสุขขังกับเราได้เพราะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆได้นั่นเองแต่ปรมังสุขขังนี้ไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยดับความทุกข์ทั้งหลายหมดได้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวดังนั้นพวกเราจึงยาวมาเสียเวลากับการขวนขวาย หาทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆในโลกนี้ที่ไม่สามารถให้ปามังสุขขังให้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่มีความทุกได้เราควรที่จะมาหาความสุขที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยการทำบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทํากันดีกว่าคือให้เราทําทานกันมากๆ ให้เรารักษาสิ่กันให้มากๆให้เรานั่งสมาธิกันให้มากๆและให้เราพิจารณาความจริงให้มากๆว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากถ้าเราไม่อยากเราก็อยากถ้าเราไม่อยากทุกข์ก็อยากประยัถ้าเราไม่อยากเราก็ต้องให้เห็นว่ามองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงกับเรา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้เสมอไปถ้าเราเห็นอยาน่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไรพอเราไม่อยากได้อะไรเราก็จะได้ปลมังสุขขังเราจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจของเราอีกต่อไปนี่คือเหตุ นี่คือเรื่องที่เราจะได้รับคือกำไรที่เราจะได้จากการที่เราไม่ต้องไปทำงานกันในวันนี้ว่าเราจะได้มีเวลามาสร้างบุญมาหาบุญกันนั่นเองพอเราหาบุญสร้างบุญแล้วใจของเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงไปตามลาดับแล้วถ้าเราทำให้มากขึ้นไปนเรื่อยเื่อยเราก็จะ มีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีเต็มที่ต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาสร้างบุญสร้างกุศลกันเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาเพื่อความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา